ขอารบูชาพระัตนตรัยการบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบรายอย่งพระอาจารย์สงสินปพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทร์พระอาจารย์ออสขอโอกาสพันเต้เพื่อนศาธรมิกเจริญพรเจริญในธรรมมายัางแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน ก็นั่งเง็ด น, น้ปกติเนาะใครรู้สึกว่งว่วงนะก็พยายามปลุกตัวเองนิดนึงนะบางทีเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะมาตื่นตีสามทำวัดตีสี่บางคนอาจจะเพิ่งจะนอนก็ไดนะ้ตีสามนี่นะนะโดยเฉพาะวันหยุดยาว4ี่วันห้าวันอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวกันนะสนุกสนานนะเพราะฉะนั้น <c oughs> พยายามปลุกตัวเองนิดนึง นะจริงๆการปิดไฟเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราถ้าจิตเรายังไม่แข็งพอนะมันจะชวนให้ง่วงนะเพราะนั้นเปิดสว่างสวๆนะธรรมะนี่มันต้องสะอาดสว่างสงบนะไม่ใช่สยบสยบกับความมืดสยบกับความง่วงเหงาเศร้าซึมอะไรเงี้ยนะนะเราเป็นชาวพุทธนะก็ต้องรู้ตื่นเบิกบานนะ ไม่ไปสยบกับความสงบที่เป็นความสงบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เท่าทันนะความสงบที่นิ่งๆวันนั้นเราตื่นตัวนิดนึงนะตื่นเช้ามาวันนี้นะก็ตรงกับวันจันทร์นะที่18บนแะกรกฎาคม นะพุทธศักราช 2,559 นะวันนี้ก็เป็นวันโกนเนาะพรุนี้เป็นวันพระใหญ่นะวันอัสสระบูชานะซึ่งก็เป็นวันสำคัญหนึ่งของชาวพุทธเรานะบางคนก็บอกว่าเป็นวันพระสงฆ์บางคนก็บอกว่าเป็นพระธรรมแตนะ่ก็แล้วแตนะ่ในทัศนะความเห็นของแต่ละคนนะผู้รู้นักปราชญนะ์สิ่งสำคัญก็คือว่า เราหน้ามาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงนะแล้วก็เราจะน้อมนำนะามาใช้ได้อย่างไรโนะดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้านะได้เผยแร่ได้นำเสนอนะได้พูดนะสิ่งที่ท่านได้ค้นพบนะหลังจากที่ท่านได้ใช้ชีวิตนะสุดโต่งไปสองทางนะก็คือทางที่1นึ่งก็คื อ, อ, อสแสวงหาความสุข จากการได้สิ่งที่สมหวังไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจซึ่งการแสวงหาความสุขแบบนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่และเยอะด้วยเพราะว่าไม่ต้องอะไรง่ายๆหยุดห้าวันเนี่ยนะหลายคนก็ไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินหาความสุข จากความสนุกสนานนะได้กินได้เที่ยวได้เล่นนะก็เป็นความเพลิดเพลินเป็นความสุขนะที่คนในโลกส่วนใหญ่นะก็สแสวงหากันเราเองแต่ก่อนก็คุ้นเคยกับการสแสวงหานะความสุขชนิดนี้นะและหลายคนนะก็ได้สัมผัสนะรสชาติของความสุขนะจากความสนุกสนานนะและในเวลาเดียวกันนะมันก็ได้ รับผลนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สมหวังนะความสุขจากการได้กินได้เที่ยวได้เล่นนะบางทีมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมเดี๋ยวสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวนะเดี๋ยวก็เออไม่สุขอีกแล้วนะมันผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะไปกินอาหารร้านนั้นอร่อย นะกินซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เบื่อนะความสุขที่เคยมีมันก็หายไปนะก็ต้องไปวิ่งหาร้านใหม่นะไปเที่ยวที่นั่นนะก็มีความสุขนะได้เห็นสิ่งแปลกแปลกจากในจังหวัดก็ไปต่างจังหวัดนะจากต่างจังหวัดก็ไปต่างประเทศนะไปประเทศในเอเชียไปประเทศในยุโรปใช่อันนี้เป็นความสุขที่ เรียกว่าไขว่คว้าเป็นความสุขที่เราต้องวิ่งเป็นความสุขที่มีตัวความอยากมันกลับเคลื่อนนะความอยากความอยากที่ไม่รู้นะไม่รู้ความจริงนะไม่เห็นว่าสิ่งที่มันบีบคั้นให้เราต้องไปดิ้นรนสแสวงหานั่นะนะมันอยู่ในจิตในใจเรานะั่นแหละนะก็คือความทุกข์นะที่ไม่ไม่สมหวังบ้างความทุกข์ที่ เกิดจากการที่เรานะวิ่งหานะวิ่งหาความความสุขนะจากข้างนอกนะเป็นความสุขสนุกสนานก็นะเรียกว่าสุขที่น่ายินดีนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาษาบาลีเขาเรียกว่ากามสุขนะสุขที่ที่น่ายินดีนะแต่ความสุขชนิดนี้เนี่ยมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง นะพวกเราหลายคนก็คงมีประสบาการณ์นะแล้วก็เห็นว่าความสุขชนิดนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะเพระาะฉะนั้นหลายคนนะหยุดห้าวันก็เลยมารวมตัวกันที่วัดป่าสุกโตนะเพราะเรามีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธานะว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปขอยคว้าเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปวิ่งหาแต่มันมีอยู่แล้วในจิตในใจของเรา เป็นความสุขที่ได้เป่าเปล่าได้ฟรีๆนะขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าใจเราปกติเฉยๆนะเรารู้อยู่ไม่ง่วงไม่ซึมนะนี่เราคือความสุขนะที่มีอยู่แล้วโดยธรรมาชาตินะมันมีอยู่แล้วในจิตในใจของเรานั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้หันมาดูเราไปมองข้างนอกไปวิ่งหาความสุขจากวัตถุจากบุคคลจากสถานที่ จากอาหารการกินนะจากทรัพสมบัติจากยศจากชื่อเสียงต่างๆนะซึ่งอันนั้นก็เป็นความสุขเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่และมันต้องอาศัยนะการขับเคลื่อนนะด้วยความอยากนะความดิ้นรนนะเหน็ดเหนื่อยทีเดียวนะเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยจากประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมานะ ได้ผ่านพบกับความสุขเหล่านี้นะเราก็รู้สึกบางคนก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเอื่มละอานะแล้วก็รู้สึกว่ามันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะบางคนก็เลยตงไปข้างเลยนะตรงไปข้างหนึ่งก็คือเก็บเนือ้อเก็บตัวนะไม่พูดไม่คุยนะแล้วก็พยายามไปหาความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่ได้จากความสงบนะความสงบในจิตในใจ นะซึ่งความสงบในจิตในใจเนี่ยนะบางคนก็พยายามปิดการรับรูนะ้พยายามาปิดหูปิดตานะไม่คบผู้คบคนนะเก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะบางทีก็ไม่สังคมนะไม่สังคมไม่สมาคมกับผู้คนเลยนะตรงนี้หรือมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น ก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไวนะ้ไม่เปิดเผยไม่บอกไม่พูดไม่คุยกับคนที่เราพอจะพูดได้นะมันก็เป็นความทุกข์ทรมานะอยู่ในจิตในใจนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการที่เราไปทรมานตัวเองนะอย่างเช่นที่เราเคยเห็นฤาษีโยคียต่างๆนะเอื่มละอาเบื่อกับความสุขในโลกนะความสุขที่ได้เสพ นะได้มีการกระตุ้นเรานะกแล้วรู้สึกเอื่อมละอากับมันนะก็มาสุดโต่งอีกทางหนึ่งคือมาทรมานร่างกายตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันในบ้านเราก็คงจะไม่ค่อยมีหลักแต่มาดูที่ตัวเรามันมีนะนะก็คือการที่เราเพยายามที่จะมีความทุกข์มีความอะไรเราก็เก็บกดเก็บกดเอาไวนะ้ไม่พยายามแก้ไขไม่พยายามที่จะเรียนรู้ จริงๆความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเขามาให้เราเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาแล้วหาทางออกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งหนีนอย่างเช่นเราวิ่งหนีไปเที่ยววิ่งหนีไปหาเพื่อนคุยวิ่งหนีไปทำกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้นเราก็เลยไม่ได้เรียนรู้กันการมาวัดป่าสุกโตไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นัก เราที่ทราบเนี่ยตอนนี้จำนวนของคนที่มากลุ่มเนี่ยหนึ่งคนนะแล้ววันนี้จะมีกลุ่มของหอจนหมายเหตุมาอีก30คนนะเป็นร้4ยนะแล้วรวมกับคนที่อยู่เดิมอีกเนี่ยนะนะ่าจะได้สัก 200-300 ที่พักอาจจะไม่สะดวกสบายนักนะอาจจะไปนอนกันแออัดนิดนึงบางทีน้ำก็ไม่ไหลเออบางคนก็ยังไม่ได้อาบน้าเลยนะเมื่อวาน นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ อ, อย่างที่เราคาดหวังไวนะ้บางทีก็อาจจะผิดหวังบ้างนะแต่ตรงนี้เนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เรารู้จักปรับตัวปรับใจในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเพราะนั้นเรามาวัดป่าสุขโตเนี่ยเราไม่ได้มาหาความสะดวกสบายไม่ได้มาหาความสุขนาะจากกินจากการที่เราคุ้นเคยนะ เช่นคิดว่ามาวัดป่าสุกโตอากาศจะเย็นสบายนะได้มีห้องนอนคนเดียวปรีกวิเวกตั้งใจจะมาปฏิบัตินะแต่โอ้โหเขาจัดให้สมคน4ี่คนบางห้องจัดไป10บคนห้องใหญ่ๆนะบางทีก็บางคนก็อาจจะเอออาจจะรู้สึกไม่ไม่สมปรารถนาก็ได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เขาแสดงออกมานะมากินมานอนนะไม่่คยได้เป็นอย่างที่เราต้องการ นะมานอนพื้นแข็งๆนะก็รู้สึกอาจจะไม่คุ้นนะตรงนี้ก็เป็นความทุกขนะ์ความทุกข์ทางกายและบางทีมันก็ส่งไปถึงผลความทุกข์ทางใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอามาเป็นประโยชนนะ์ก็จะทำให้เราเกิดปัญญานะอย่างน้อยๆนะก็เป็นการหัดปล่อยหัดวางเราเคยอยู่บ้านนะนึกจะกินเวลาไหนก็ได้นึกจะนอนเวลาไหนก็ได้แต่เรามาฝึกปฏิบัติไม่ใช่ มีเวลากินมีเวลานอนที่ชัดเจนนะแล้วก็ <c oughs> เราก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะไม่ต้องไปห่วงอะไรนะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นนะเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะล้วคิดว่ามันเป็นธรรมดานะพอมาอยู่ที่นี่นะโอ้มันไม่คุ้นนะกับสิ่งที่เราเคยเป็นนะตรงเนี้ยมันก็ําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่หลีกหนีนะ ในการมาฝึกมาปฏิบัติมันง่วงเหงาหานอนอยังไงเราก็จะไม่นอนตอนกลางวันไม่นอนนะแต่ตอนกลางคืนต้องนอนนะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนอบรมเนี่ยเป็นการเรียกว่าทวนกระแสนะทวนกระแสความเคยชินเก่าๆนะเป็นความเคยชินที่เราเคยทำอะไรตามใจตัวเองจริงๆกับ ว, ว่าตามใจมันไม่ใช่ตามใจตัวเองหรอกมันตามใจกิเลส นะกิเลส ก, ก็คือสิ่งที่ทำให้เร า, เ, าเรียกว่าทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วนะเราก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะก็จากการยึดติดบ้างนะยึดติดในความสบายนะเคยกินของที่ถูกใจถูกลิ้นนะมาที่วัดป่าสุกโตอะไรก็ไม่รู้อ่าน นะเราไม่คุ้นนะหรือบางทีมันนอนในะที่นอนที่มันแข็งนะโอ้เราก็ไม่คุ้นอีกนะต้องตื่นตีสามนะทำวัดแต่เช้านะอย่างพวกเรามานี่ก็ถือว่าเราได้เรียกว่าไม่ได้ทำตามใจตัวเองใช่ไมไม่ได้ทำตามกิเลสถึงเวลาเราก็ตื่นมานะเราก็มาทำวัดสดมนนะตั้งใจนะบางทีมันก็ง่วงบ้างอะไรบ้างก็พยายามฝืนฝืนมานิดนึง เราไม่ยอมจำน้นกับมันแล้วนะความง่วงนะกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยถึงเวลาต้องปลดปล่อยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นสามวันห้าวันเจดวันเนี่ยเป็นวันปลดปล่อยนะปลดปล่อยอิสระภาพนะให้ใจเราเป็นอิสรภาพจากกิเลสนะซึ่งเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองเพราะฉะนั้นในการฝึกนะในการที่เราจะมาสัมผัสกับความสุขที่เป็นปกตินะซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยนะจริงๆของนี้มันมีอยู่แล้ว นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นมันเราไม่ได้ไปสัมผัสมันนะเราก็เลยไม่รูนะ้และเราก็ไม่ได้รับประโยชน์มันนะเหมือนกับพวกแร่ธาตุต่างๆหรือว่าของมีค่าที่มีอยู่ในดินมันมีอยู่แล้วนะทองก็มีเพชรก็มีแต่เราไม่ไปขุดค้นมันก็ไม่เจอนะเพราะนั้นความสุขที่เป็นความสุขเกษมสารนะคือความเป็นปกติของใจเนะี่ยมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูเข้าไปเห็นมั น, นเราก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เครื่องมือสำคัญที่เราจะขุดเจาะเข้าไปภายในจิตในใจของเราก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณมันยังไม่เพียงพอมันยังไม่ละเอียดพอมันยังไม่ฉับไวพอเพราะฉะนั้น ใจิตใจที่เป็นปกติเนี่ยมันก็มักจะหลงนะหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยนะเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาฝึกมาฝึกมาพัฒนามาภาวนานะคำว่าภาวนาก็คือพัฒนานั่นเองพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณให้เป็นความรู้สึกตัวที่มีที่ตั้งนะก็เรียกว่าสติสติปัฐาน หรือบางทีก็เรียกว่าหมาสติก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญเพราะฉะนั้นว่าวัดป่าสุขโตเราจะไม่พูดนาะฝึกสมาธินะแต่เราบอกว่ามาเจริญสติเจริญสติรูปแบบของการเจริญสติก็คือเคลื่อนไหวนะซึ่งเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากทั่วๆวไปนะทั่วๆ ไ, นะไปเรามักจะนั่งนิ่งๆหลับตานะบริกรรมมั่งหรือไม่บริกรรมนะมีกา ร, รบริกรรม นนิ่งๆให้ใจมันสงบนันิ่งๆนะแล้วก็มาพิจารณาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เราฝึกกันนั่งหลับตานิ่งๆเนี่ยสติเรายังไม่ค่อยเข้มแข็งพอนะส่วนใหญ่ก็จะจมดิ่งไปกับความสงบนิ่งๆนั้นแหละนะแล้วเราก็คิดว่าอันนั้นนะคือเป้าหมายอันนั้นน่ะคือทางเดินนะอันนั้นคือสิ่งที่ ที่สุดแล้วนะแต่อันนั้นมันเป็นเพียงแต่อารมณ์ชั่วขณะเองแล้วรสชาติของความสงบแบบนิ่งเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยนะ เ, เรียกว่าอสาทะก็ได้เพราะนั้นถ้าเราไปจมอยู่กับความสงบนิ่งๆอย่างนั้นโดยที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะมันก็จะทำให้เสียเวลาเนิ่นช้านะแต่ทีนี้การมาฝึกแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันจะตัดเรื่องนั้นออกไปเลยนะเรื่องความสงบนิ่ง ที่มันไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยนะมันเปิดตาขึ้นนะเราไม่ต้องหลบหนีเราไม่ต้องหล บ, ห ล, บลี้สิ่งแวดล้อมนะเราเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้เดี๋ยวใจมันจะไม่สงบเดี๋ยวดูไอ้นั่นดูไอ้นี่นะจริงๆความสงบมันมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งสงบแบบนิ่งๆไม่คิดอะไรนะอันนี้มีความสบายนะก็เรียกว่าสมถะ เจ้าชจยแต่ก็ไปเรียนกับอาจารย์สองคนอาลาลาดาบทกับอุทุกดาบทได้ฌานสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดถามอาจารย์ว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหม <c oughs> ขณะที่ท่านนั่งนิ่งๆหลับตาเนะี่ยมันสบายนะแต่พอลืมตา ม, มาทำกิจกรรมมนุษย์นี้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างท่านก็บ่ามันต้องมีที่มากกว่านี้แต่ในยุคนั้นมันไม่มีความรู้นี้นะสุดท้ายท่านต้องไปค้นพบเอง ในวันวิสาขบูชานะก็ไปพบว่าความสงบที่นิ่งๆเนี่ยนะมันยังไม่ใช่ที่สุดของทุกขนะ์แต่ที่สุด ข, ของทุกข์คือความสงบที่ออกจากนะความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือความทุกข์ไดนะ้จากความคิดปรุงแต่งที่มันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างพบสร้างชาติเนี่ยนะรำว่าพบชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปมองไกลนะ มันก็คือภาวะในจิตในใจของเราเนั่นเองนะบางทีนะเรามีความสุขนะเราอยากให้นะเราอยากช่วยเหลือนะนี่ก็เป็นเทวดาละนะถ้าเรามีความเมตตานะมีความยินดีนะกับคนนั้นคนนี้นะมีใจที่เป็นอุเบกขาก็เป็นพรหมละแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของเราเนี่ยนะมันยาก นะมันอยากไม่รู้จักจบจากสิ้นนะกินไม่รู้จักอิ่มเที่ยวไม่รู้จักหยุดนะอันนี้เปรตและเปรตแล้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหแล้วจะเป็นอะไรก็ได้นะเขาจึงเรียกว่าคนไงคนมรรค์นคนปนกันไปหมดเดี๋ยวเป็นเปรตเดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นพรหมเดี๋ยวเป็นอสุรกายนะเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเขาจึงมีคำที่พูดว่ามนุษย์เปโต นะมนุษย์ที่มีใจเป็นเปรตนะอย่างตอนเช้าเนี่ยให้สังเกตดูดีๆเถอนะถ้าหิวมากๆแล้วอยากมากๆนะตักอาหารมาเกินกว่าความจําเป็นเนี่ยแล้วกินไม่หมดแล้วทิ้งเนี่ยอันนี้ก็เรียกเปรตนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมหรือเป็นใครก็ตามนะเรียกว่าเปรตเหมือนกันนะหรือบางทีใครมาพูดไม่ถูกคูนะ่เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าตกนรกละเป็นสัตว์นรกละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะทํ า, าให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปัญญะที่เราจะฝึกฝนกันนี้เองใหม่ๆการฝึกเนี่ยนะมันไม่สบายหรอกนะโดยเฉพาะคนที่มาใหม่เนี่ยมันจะง่วงเหงาๆนอนมันจะเบื่อมันจะฟุ้งซ่านมันจะลําบาก ไหนละความสุขอ่ะความสุขที่ที่แท้จริงอ่ะนะแไมลํำบากจังเลยมาปฏิบัติเนี่ยคุณให้เวลากับตัวเองสักสามวันแล้วมันจะปรับเนื้อปรับตัวแล้วคุณก็ไม่ต้องไปหนีมันความทุกเนี่ยนะมันมาให้เราเรียนรู้นะความง่วงเนี่ยมาให้เรารู้จักที่สุดของความง่วงคือความตื่นมันมีอยู่เบื้องหลังของมันเบื้องหลังของความทุกข์ก็คือมีความไม่ทุกข์นะเพราะนั้นอย่าไปหนีมัน หลายคนเจอความง่วงหนีความง่วงไปนอนนะไม่ต้องอะไรแล้วนะเดี๋ยววันนี้ลองฝึกดูถ้าเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะก็ยังมีกลรัญมิตรมีพระคอยดูแลอยู่นะแต่คนที่มาเองเนี่ยนะก็ให้ดูแลตัวเองดีๆนะโดยเฉพาะคนใหม่นะตรงนี้เราต้องดูแลตั้งใจเลยตั้งจิตอธิษฐานจิตเลยกลางวันจะไม่นอน แต่กลางคืนจะต้องนอนมันจะง่วงขนาดไหนลองดูสิให้มันตายไปไม่มีตายแล้วมีแต่ความง่วงมันจะตายเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราง่วงมาเล่นะเรากลับไปนอนนั่นคือเราตายแล้วตายไปจากความตั้งใจของเราตั้งอธิษฐานจะมาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตนะนึกว่ามันจะสบายนึกว่ามันจะสงบนึกว่ามันจะมีความสุขโอ้ยง่วงจะตายแล้วะวะไม่ไหวเลยวะ ก็กลับไปนอนก่อนแล้วหลายคนก็มีความสุขกับการนอนนะเรียกว่าอะไรล่ะบัรทมปรมังสุโ ข, ขใช่ไหมเออสุขแท้อยู่ที่การได้หลับได้นอนการนอนเนี่ยมันไม่รู้จักอิ่มหรอกมันมีสิ่งที่เราจะไม่อิ่มอยู่สามอย่างหนึ่งนอนเนี่ยมันนอนได้ทั้งวันะ่ะแต่มันจะซึมซึมมันจะเพี๊เพี ย, พยมันจะไม่กระตือรือร้น น, นะ มันสบายแต่ว่ามันมีมีผลข้างเคียงนะอันที่สองการเสพกามผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยไม่รู้จักอิ่มอะอายุมากแล้วก็ยังเสพกันอยู่นะแล้วคิดว่านั่นนะ่ะสุดสุดยอดของมนุษย์เขาแล้วนะในโลกเนี่ก็บอกไอ้เนี่ยสุดสุดยอดแล้วนะแต่สุดท้ายนะ่ะนะมันก็เห็นว่ามันเป็นของชั่วประเดียบประดาเท่านั้นเองอันที่สามก็คือความอยากตัณหาความอยากที่ไม่รู้เท่าทันความจริงนะแต่อย่างเรามาเนี่ยเรา อยากที่จะพ้นทุกนี่เป็นเป็นความอยากที่ที่เราที่ดีนะก็เรียกว่าเป็นฉันทะก็ได้เพราะฉะนั้นความอยากภาษาไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะคลุมเครือไปนิดหนึ่งแต่ภาษาบาลีมันชัดเจนนะตั้นหากับฉันทะนี่มันต่างกันเรามีความตั้งใจนะที่จะมาฝึกฝนตัวเราเองนะมาเรียนรู้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นการมาฝึกเจวันก็ดีสมวันก็ดี5วันก็ดีหรือพระที่จะอยู่จําบรรษาตลอด3เดือนเนี่ย ขอให้เป็นเวลาของการฝึกฝนตัวเองนะพระบวชใหม่เนี่ยถ้าจำได้เนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งว่านิพพานะสัจจิกริยายะการบวชเราบวชเพื่อกระทาพระนิพานให้แจ้งไม่ใช่บวชเพื่อมากินมานอนมาหาความสุขสนุกสนานมาเพื่อนคุยนะมาสังสรรค์สันตนาการไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายนะเราเป้าหมายเพื่อทำพระนิพานให้แจ้ง พรนะณิพพานก็คือการพ้นออกไปจากความทุกข์ที่มันบีบคั้นนะในจิตในใจของเรานะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนการมาวัดป่าสุกโตนี่ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่เขวเลยนะที่วัดป่าสุกโตนี่มีค่ายกล <c oughs> อาตมารเรียกว่าค่ายกลนะค่ายกลคืออย่างไงเดิมตั้งใจจะมาปฏิบัตินะพอปฏิบัติไปนิดๆหน่นอยๆโอ้ไม่ไหวแล้วมันเบื่อไหมมันฟุ้งซ่านเยอะไหม เดี๋ยวไปหากิจกรรมทำนะบางคนก็ไปทํานู่นนทำนี่ทํามาทั้งวันยินดีในการก่อสร้างยินดีในการทํางานนะอันนี้จะทําให้ภิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ไม่บรรลุถึงที่สุดเนี่ยจะเสื่อมยินดีในการพูดการคุยยินดีในการนอนนะยินดีในการคลุกคลีนะอันนี้มันมีบอกหมดเลยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเอามาจากใน คุมทรัพย์จากพระโอดฐนะ์ที่อาจารย์พุทธทาสนะท่านได้แปลออกมามีอยู่ประมาณ8เรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นการมาอยู่วัดป่าสุกโตพยายามปริกวิเวกนะจะเป็นพระกรดีเป็นโยมกด็ดีอย่าไปคุกขีกันมากนะพูดคุยกันเท่าที่จําเป็นแต่นะามาก็สังเกตนะก่อนจะมาทําวัดเนี่ยจะเป็นตอนเช้ากด็ดีตอนเย็นก็ดีเห็นโยมก็เดินจงคุมกันเต็มเลยมั้งนะแต่พระเนี่มาคุยกันนุ่งนินุนิ่ ง, ตร ง, งตรงนี้นะโอ้โหน่าเสียดายมากเลย พระนี้น่าจะเป็นแบบอย่างเนาะแบบอย่างให้ญาติโยมพยายามพูดคุยน้อ ย, อยเสียงเบาๆถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นก็อย่าไปคุยนะไปคุยเรื่องสัพเพเฮละมันฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยพยายามพูดน้อยๆปรีกวิเวกเราสังเกตได้ง่ายนะคนที่ตั้งใจปฏิปฏิบัติแล้วคนจะได้ประโยชน์ก็คือคนที่พูดน้อย สมัยทีย่อาตมาได้มีโอกาสไปบวชปี25งนอีไปอยู่ที่วัดโมกับหลวงพ่อเทียนนะสมัยนั้นเนี่ยนะแต่ละคนก็ต่างคนต่างปฏิบัติพูดคุยกันจับกลุ่มกันไม่ค่อยมีน้อยมากแล้วที่มันไม่กว้างแบบนี้นะเพระาะฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจส่วนตัวเสร็จทำภารกิจส่วนรวมเสร็จเราจะใช้เวลาว่างกับการเดินจงกรมสร้างจังหวะเราจะไม่ไปพูดไปคุย ไม่ไปคุยโทรศัพท์ไม่ไปอ่านหนังสือนะตรงเนี้ยแล้วทําให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นมานะถ้าเราทําทําทําหยุดหยุดทําบ้างเล่นมั่งนะมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกต่อให้ทําไปสิบปียี่สิปีมันก็ไม่ได้ผลแต่สามเดือนเนี่ยที่เราจะอยู่เนี่ยถ้าเราใช้เวลาเรื่องพวกนี้มันน่าพิสูจน์ตรงพระเทียนบอกแล้วว่าผู้ใดเจริญสติในะอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ อย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึงเกิวันนะอย่างกลางหนึ่งปีอย่างนานที่สุดสามเดือนเออสมปีนะความทุกข์จะลดลงเพราะฉะนั้นอย่างกรณีกลุ่มมาเจดวันลองพิสูจน์ดูนะสิ่งที่เราเคยหนักหัวหนักอกหนักใจเนี่ยมันจะคลายลงไหมนะสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ในจิตในใจความทุกข์ทางกายมันจะได้รู้สึกเบาๆขึ้นไหม เมื่ออย่างที่เมื่อสักครู่เราสาธยายมนนะพะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาท่านเป็นกาลยาณมิตรเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นธรรมดาเราจะหลุดพ้นคําว่าหลุดพ้นไม่ใช่เราไม่แก่เราไม่เจ็บนะแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปผวางไม่ไปทุกข์กับเรื่องพวกนี้ความโศกความเศร้านะเราก็จะหลุดพ้นนะความเรหลุดพ้นนี่ก็คือเราห่างออกมาได้นะสิ่งเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าพิสูจน์ เรามีเวลาอยู่ที่นี่นะ่าจะสามวันเจ็ดวันสามเดือนหรือว่าอยู่ไปเรื่อยๆนะตรงนี้หน้าที่หลักของเรางานหลักของเราคือการฝึกจิตฝึกใจง า, งานอื่นๆเป็นงานอดิเรกอย่าไปเอางานอื่นเป็นงานหลักนะถ้าไปเอางานอื่นเป็นงานหลักเนี่ยเราก็เสียโอกาสแล้วล่ะที่มาใช้สถานที่วัดป่าสุกโตนะซึ่งหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อบำเพ็ญนะได้พยายามที่จะ ทำให้เกิดเป็นสถานที่เพื่อการฝึกฝนความสงบสงัดของที่นี่เนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เราเข้าถึงนะความสุขที่แท้จริงที่มีในจิตในใจของเราแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะเราต้องทำลงลงแรงนะลงกำลังทั้งกำลังใจของตัวเองกำลังกายของตัวเองอย่าไปเห็นแก่ความสะดวกสบายนะเอาความยากลาบากเนี่ย มาทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมาเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ใ น, นท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างนามคุณของพระสี ร, รัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคริสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งภายในตัวเราและก็นอกตัวเรา อาจจะถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจก็ตามนํามาฝึกฝนให้เรานะไดา้ยอมรับปรับตัวนะเข้ากับสิ่งแ ป, ปรปวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะเพื่อให้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะของแต่ละผู้คนนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรนะด้วยสติ สมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งที่เราได้อุทิศได้เสียสละนะและก็มีความตั้งใจเนี่ยนะได้เกิดผลนะให้เราได้พบกับความสุขเกษมสารคือความเป็นปกติของจิตใจได้ทุกเมื่อทุกเวลานาทีในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเทิอนเจริญพร